สวัสดีครับกระผมธนแพนทย์นัทธพงศ์กนกวิรุณผู้ร่วมดำเนินในการเปิดคําที่ถูกปิดภาคออนไลน์เผยแพร่ทาง w w w ยว p e e t h a m a com วันนี้เราได้รับความเมตตาจากพระอาจาราย์ไพบูรณ์อภิปุนโนแห่งวัดป่าดอนไฮโซมาร่วมไขข้อข้องใจและคำถามต่า ง, างๆนะครั บ, บ, บรกธรรมชาิการครับสมเดารก็พระไพบูรณนะ์ได้ ร่วมกันจัดรายการนี้ทางออนไลน์กับคุณหมอรัตพงศ์ในการที่จะเอาหัวข้อท่นต่างๆมาเปิดเผยมาคุยมาค้นควา้าให้ท่านฟังได้ เ, เรียกว่าเปิดทำที่ปูกปิดให้คลายความสงสัยข้อข้องใจต่างๆหรือว่าสิ่งที่ยังไม่รู้ก็จะได้ทราบมากขึ้นอตอนนี้เราเอาพิโซดที่หกเ อ, เอพิโซดที่6ก็คือตอนที่หก เ, เราก็ได้ทํา เรื่องของพอด c a สต์ออนไลน์เนี่ยมาละ6ตอนตอนนี้เป็นตอนที่6ถ้าท่านผู้ฟังที่เพิ่งมาฟังตอนนี้เป็นตอนแรกเนี่ยก็ให้ลองไปดาวนโหลดตอนต่างๆในตอนต้นเนี่ยมาลองฟังดูในะเรื่องเทคโนโลยีเราก็คิดว่าจะค่อยปรับปรุงไปนะในส่วนของการใช้ฟีเจอร์ต่างๆของในเพียวพอดสต์น ะ, ะส่วนเรื่องประเด็นธรรมะอะไรที่ท่านผู้ฟังเนี่ยฟังแล้วมีประเด็นข้อสงสัยต่างๆเพิ่มมากขึ้น เะเกี่ยวกับพระสุน์ไหนก็แล้วแต่ก็หยิบยกมาถามกันได้ส่วนอาตมาและหมอรัตะพงศ์ก็จะทำหน้าที่ต่อไปกนะ็คือการเอาธรรมะเนี่ยมาขุดคุยแล้วก็ใช้พุทธพจน์นเนี่ยมาค้นคว้าหาคำตอบวันนี้คือเราได้กล่าวมาถึงเรื่องอริยมรรคมีองแปดซึ่งเราได้กล่าวต่อเนื่องมานะครับ ห, ห้ามรรคนะครับหองค์มรรควันนี้จะเป็น ลำดับต่อไปก็คือสัมมาวายามะครับท่านสำหรับท่านผู้ฟังที่เพิ่งมาฟังตอนนี้ตอนแรกก็ให้ทราบไปว่าเรากําลังไล่ไปนะจากมัคตั้งแต่มัคทีละองมัคอริยมัค ม, มีองแปดเนี่ยแต่ล ะ, อ, ะอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมีความหมายมีคุณสมบัติมีข้อชี้แจงอะไรบ้างก็ในคราวนี้ในตอนที่6ก็มาถึงเรื่องของสัมมาวายาม ะ, ะสั ม, มาวายามะเนี่ยแปลว่าความเพียรชอบ ความเพี่ยนชอบคันความเพียนชอบตรงนี้ก็คือความเพียรที่ถูกต้องนั่นแหละครับความเพียรที่ถูกต้องนี่เป็นยังไงเป็นยังไงครับกันก็เอาของไม่ดีออกเอาของดีใส่ของที่ไม่ดีที่ยังออกไม่ได้ก็ทาให้มันน้อยลงซะของดีที่มีอยู่แล้วก็ทำให้มากขึ้นซะอย่างนี้ง่ายๆพระเจ้าใช้บทเพลงชนะบอกว่าให้มีความที่เรียกว่า มีความเพียรความพอใจนะปรารบความเพียรประคองจิตตั้งจิตเอาไว้นะเพื่อความดีที่ยังไม่เกิดเนี่ยให้มันเกิดขึ้นซัก<ะ>นะแล้วก็มีความเพียรความพยายามความพอใจตั้งไว้ซึ่งความเพียรเนี่ยอะไรที่เป็นบาปเป็นกรรมที่เราได้ทํามาเราก็เลิกซักอย่างนี้แล้วก็ทําให้น้อยลงคือมันง่ายๆ4อย่างคือหมายความว่าในชีวิตเราเนี่ย เราอาจจะมาดูก็ได้ว่าในชีวิตเราตั้งแต่ปี2554เนี่ยนะเพิ่งจะเริ่มต้นปีเนี่ยในปีห้าสามห้าสองห้าหที่ผ่านมาเนี่ยปีที่ผ่านๆมาเนี่ยเรามีนิสัยอะไรหรือว่าสิ่งใดที่เป็นอคติส่วที่เราเคยทํามาก่อนนะแล้วไม่ดีต้องการจะเลิกให้ใส่เอาไว้นะรายการที่1ให้ทํา4รายการจดหมายครับจดหมายรายการแรกเนี่ยให้จดหมายนิสัยที่ไม่ดีที่ต้องการจะเลิก อันที่สองที่นิสัยที่ต่างๆที่ไม่ดีเนี่ยที่เราเลิกได้แล้วไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ทํามันแล้วเนี่ยอย่างบางคนเลิกสุบบริได้แล้วเนี่ยแล้วจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอย่าให้มันมาอีกอนะไม่ให้ย้อนกลับมาไม่ให้ย้อนกลับมาที่เราเลิกไปแล้วไม่ให้ย้อนกลับมาเนี่ยก็คื อ, อมีอะไรบ้างเราก็จดเอาไว้แล้ ว, วนะเพราะฉะนั้นลิสต์แรกเนี่ยรายการแรกเนี่ยจะค่อยๆเลื่อนไปรายการที่สองนึกออกไหมก็คือรายการแรกเนี่ยคือรายการที่เราต้องเลิก นิสัยไม่ดีเช่นตื่นสายชอบอว่าคนอื่นนินทานรับหลังรักเล็กขโมยน้อยขี้เกียจปากเปรา ะ, ระชอบพูดเรื่องคนอื่นอย่างนี้นะจดไปให้หมดเลย น, นิสัยที่ไม่ดีจดไว้จดไว้จดไว้ไเสร็จรายการที่สองก็คือรายการนิสัยที่ไม่ดีที่เราเคยเลือกไปแล้วอืมนะเช่นกินมากอีกอกินจุบจิบอ่ะเดี๋ยวนี้เลิกละเดี๋ยวนี้คุณคุณสมบูรณ์เออหุณก็เรียกว่าคุณดีละ เลิกกินจุบจิบได้อันนี้จดเอาไว้เป็นความภูมิใจน ะ, ะนิสัยเช่นขี้เกียจขี้คร้านตื่นสายเราเลิกละเราก็จดไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นรายการแรกเนี่ยจะค่อยๆเคลื่อนไปรายการที่สองซึ่งตรงนี้เป็นนิสัยเดิมซึ่งมันกลับมาได้แล้วเราต้องคอยระวังนะแม่มกลับมา อ, อันที่สมข้อดีอันไหนนะที่ตัวเองเนี่ยยังไม่เคยทําต้องการทําให้ได้ครับ เช่นนักสมาธินั่งสมาธิทุกเช้าอพูดแต่เรื่องดีของคนอื่นมีวาจาสัตบุรุษเป็นคนออมน้อมทำต้นแต่เป็นคนระลึกถึงบุญคนคนอื่นมีฮีริโอตาปะอันนี้เราต้องการทำแล้วเราไม่มีนะอะจดไว้เลยให้มันยาวๆหน่อยอันเนี้ยอแล้วก็อันนี้คือรายการที่สามนะคือลิสต์ที่สามคือข้อดีที่ควรกระทำที่เรายังไม่ได้ทำแล้วก็อันที่สี่ นั่นคือข้อดีที่เราทำแล้วมีแล้วและ เ, <อ>เร า, เ<อ>าต้องรักษาเอาไว้ให้อยู่กับเราต่อไปครับอย่างเช่นบางคนเป็นคนมีวินยัยเป็นคนตรงต่อเวลาคุณดีอยู่แล้วคุณจดเอาไว้เลยคร<อ>แสดงว่าลิสต์ที่3เนี่ยจะต้องค่อยๆเ ค, คลื่อนไปในลิสต์ที่4รายการที่3าเนี่ยก็ค่อยๆเคลื่อนไปในรายการที่4ครับให้มันอยู่ต่อเนื่องใช่ให้มันอยู่ต่อเนื่องต่อไปอันนี้เราจะกลายเป็นคนดีขึ้นมาทันทีตั้งเป้าเลยปีนี้นิสัยนี้ฉันจะเลิก เนะื้อย้ายจากลิสต์ที่หนึ่งมารายการที่สองวีนี้นิสัยนี้ฉันจะทําย้ายจากรายการที่สา ม, มารายการที่สี่อย่างนี้ครับทาให้เป็นนิสยัยให้เป็นความเพียรตรงเนี้ยคุณต้องใช้สติต้องใช้ความเพียรมากครับมบัติการณ์ก็จะถูกเจริญขึ้นโดยอัตโนมัใช่ไหมครับอย่างนิสัยที่เช่นตื่นสายอย่างเงี้ยครับจนกระทั่งระวันสองก้นโดงแล้วก็ยังนอนอยู่อย่างเงี้ยนะครังนี้เราต้องแก่นิสัยนี้ควรจะแก้ เดีวพระพุทธาพูดเลยบอกว่าไม่เคยเห็นราชามหากษัตริย์องคไหนที่จะปกครองบ้านเมืองให้มีความสุขแล้วด้วยการที่ยังนอนตื่นสายโดอยู่ไม่มีไม่มีเลยเหมือนกับภิกษุเนี่ยไม่เคยเห็นภิกษุองค์ไหนเลยที่เรียกว่าคุณจะเพียรเผากิเลสแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยในขณะที่ตัวเองยังนอนตื่นสายจนตะวันขึ้นแล้ว<น>คอยตื่นตื่นไม่มีไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักคนแบบนี้ อากันครับอย่างกรณีถ้าพระตื่นอื่นตอนตะวันขึ้นแล้วเนี่ยถือเป็นอาบัตไหมครับไม่เป็นไม่เป็นไม่ใช่ใช่ไหครับไม่มีฝากไปม่มีฝากไปไม่มีฝากไปอ๋อก็ก็เป็นได้คือเหมายถพระป่วยใช่ไหมอันาภาลเป็นข้อยกเว้นได้คือคือไม่เป็นอาบัตเลยไงไม่เป็นอาบัตเพราะนั้นบริษชาตก็เลยไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีใครไปติเตียนนะในสมัยก่อนอาจจะไม่มีคนไปติเตียนบ้างพระอ๋อ เรียกว่าตื่นสายอะอย่างนี้นะแต่พระเจ้าพูดเตือนไว้ในหมวดของธรรมะว่าไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักพระที่เป็นอย่างนี้เลยตื่นแล้วก็ยังพึ่งจะมาทําความเพียเรเผากิเลสได้อยอย่างไรก็ตามในเรื่องของความเพียรเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดไปชัดเจนว่าให้ตื่นยามสุดท้ายของราตรียามสุดท้ายหมายถึงกี่โมงครับท่านยามสุดท้ายของราตรีเนี่ยก็ตั้งแต่ตีสองสมมุติ ในราตรีหนึ่งเนี่ยนะตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นถึงหกโมงเช้าก็แล้วกันยี่สิบชั่วโมงต่อช่วงที่พระอาทิตย์ไม่ไม่มีอยู่แล้วเนี่ยในช่วงนี้ถ้าเราสมมติแบ่งเป็นสามส่วนครับนะแบ่งเป็นสามส่วนเนี่ยคุณจะแบ่งยังไงล่ะจะแบ่งส่วนละสี่ชั่วโมงจุกตั้งครับแบ่งส่วนสี่สี่ชั่วโมงอะอันนี้ก็อันนี้ก็แบ่งได้แบบหนึ่งหรือคุณจะแบ่งส่วนแรกหนึ่งชั่วโมงแบ่งส่วนกลาง สิชั่วโมงแบ่งส่วนหลังอีก1ชั่วโมงก็ได<อ>้เหมือนกันทือแบ่งได้ทุกแบบแหละอาจจะแบ่งส่วนแรก2ชั่วโมงแบ่งส่วนสุดท้ายสองชั่วโมงตรงกลางเหลือ7ดเ<อ>หลือแดชั่วโมงอย่างเงี้ย<อ>ก็ได้เหมือนกันทีนี้ทําไมทําไมอาจจะมาถึงพวกอย่างนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ฟันตรงไว้ว่ า, าต้องแบ่งอย่างละกี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นแบ่งเท่ากันก็ได้แบ่งไม่เท่ากันก็ได้แต่ขอให้มีเราจะมาเคยมาสังเกตสังเกตดวงจันทร์ ว่าเอฟดวงจันเวลาเคลื่อนไปเนี่ยถ้าเรามอง He irt, เฉยเฉยเพื่นๆไปเนี่ยเวลากี่ประมาณกี่นาทีกี่ชั่วโมงเราถึงเจอสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของดวงจันได้นะก็พบ ว, ว่าประมาณ40นาทีพอสีินาทีจะเปลี่ยนตำแหน่งให้เราสังเกตได้คื อ, อมายว่ามันเปลี่ยนทุกเซียววินาทีอยู่แล้วไง<า>มันเป็นระบบอนาล็อกนึกออกไหมมันก็จะค่อยๆหมุนไปประมาณแต่พอความที่เราพอจะสังเกตได้เนี่ยก็ประมาณสัก 40- ่สห้าสินาที S <S <S คือเริ่มสังเกตแล้วว่าอ้าวตำแหน่งของดวงจันทร์เปลี่ยนไปแล้วนะจากตรงนี้จากตรงปลายหลังคามาอยู่ตรงหลังคาอ๋อโอเคประมาณสี่นาทีคือสามารถสังเกตได้ด้วยตาเปล่ า, านะอย่างเรื่องของอุณหภูมิอย่างเนี้ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ย<อ>เขาเคยการทําการทดลองมาว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 0.6 นเนี่ยคนจะรู้สึกได้นะถ้าน้อยกว่า 0.6 เนี่ยคุณจะไม่รู้สึกอย่างนี้เปนต้นนะน ะ, ะหรือว่าพูดถึง อะไรหลายหอย่างที่ทําให้ความรู้สึกของมนุษย์เนี่ยจะรู้สึกได้ซึ่งอนามาก็ไปสังเกตดวงดาวตรงนี้ดูก็ประมาณ 40- ่สห้าสินาทีตีซะว่าหนึ่งชั่วโมงก็แล้วกันแสดงว่าจากยามต้นไปยามกลางเนี่ยมันก็ต้องมีเวลาอย่างน้อย1ชั่วโมงในการที่คุณจะสามารถรู้ว่าอ๋ออันนี้เปลี่ยนเวลาแล้วนะเหนือกว่าไมใช่ครับเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนเนี่ยเขาสังเกตอะไรเขาก็ต้องสังเกตดวงจันทร์ดวงดาวอะไรต่างๆซึ่งมันก็ต้องเป็นมีระยะห่างพอสมควรที่จะทําให้ คุณไม่มีเครื่องมืออะไรเลยในการรู้ว่าอันนี้มันเวลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็ต้องอาศัยดวงจันทร์ดวงดาวเพราะฉะนั้นก็ต้องมีหลักเกณฑ์ในการสังเกตซึ่งตรงนี้ก็เลยอาตมาก็เลยมองว่าก็งั้นงั้นคือเป็นการยืดหยุ่นมากเลยก็ได้ตั้งแต่หนึ่งชั่วโมงจนกระทั่งถึงกี่ชั่วโมงก็ได้ครั อ, อ, อย่างน้อยที่สุดหนึ่งชั่วโมงเพราะนั้นเนี่ยอย่างน้อยคุณต้องตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะตื่นก่อนหกโมงเช้าเนหนึ่งชั่วโมงครับอย่างน้อยที่สุดนะแต่ถ้าคุณจะแบ่ง สยามที่เท่าเท่ากันก็ตื่นตีสองใช่ครับตีสองถึงหกโมงเช้าจะเป็นยามที่สามถูกต้องครับแล้วก็อที่เคยพูดไว้ในเรื่องของชักเรียนธรรมใช่ไหมแปลว่าอะไรนะชักเรียนธรรมการขยันปลรบความเพียรใช่ไหมครับชักเรียนธรรมเนี่ยแปลว่าทําอันเป็นเครื่องตื่นอคนพระพุทธเจ้าบอกให้ตื่นอยู่เสมอให้ตื่นอยู่เสมอ ให้ตื่นอยู่เสมอนี่คือหมายว่าไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลยหรือไงอย่างนี้นะไม่ใช่อย่างนั้นหลับไปน ะ, ะไม่ใช่อย่างนั้นที่ว่าให้ตื่นอยู่เสมอให้ตื่นอยู่เสมอเนี่ยหมายความว่าให้ทําอย่างนี้นะคือให้ประกอบชาคลย่านธรรมชาคลีา่านธรรมคือทําอันเป็นเครื่องตื่นถ้าตื่นอยู่เสมอก็คือว่ า, เ, าเดินจงกรมนั่งสมาธิทั้งวันเลยจนถึงสิ้นเวลากลางวันยามแรกแห่งราตรีก็เดินจงกรมนั่งสมาธิอีก ยามกลางนะให้นอนพักผ่อนนอนอย่างราชสีนะยามสุดท้ายของราตรีก็เดินจงกรมนั่งสมาธิอีกตรงนี้นหมอณัฐพงศ์ธรรมาไปดูในบาลีม า, าที่ท่านพุทธทาสแปลบอกว่าให้เดินจงกรมตั้งแต่กลางวันจนสิ้นยามแรกแห่งราตรียามแรกแห่งราตรียามแรกแห่งราตรียกตัวอย่างสมมติสี่ทุ่มใช่ไหมคุณฉั้นข้าวเสร็จรับประทานอาหารเสร็จเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิจนถึงสี่ทุ่ม ใช่ครับ6โมงถึง4ทุ่มใช่ไหมครับจนถึงจนถึง4ทุ่มอ่าครับอ่าจนถึง4ทุ่มเนี่ยหมายคาว่าไงหมายคาว่าคุณเดินจงกรมนั่งสมาธิตั้งแต่กินข้าวเสร็จจนถึง4ทุ่มเลยเหรออ่าอ่าที่นี้ที่ไปดูในบาลีเนี่ยไปดูในบาลีเนี่ยผู้ชาพูดอย่างนี้นะผู้ท่ชาไม่ได้พูดอย่างงั้นเป๊ะผู้ที่ชาบอกว่าเดินจงกรมนั่งสมาธิจนนทัั้งวพอิตก ยามแรกแห่งราตรีให้เดินจงกรมนั่งสมาธิอีกหมายความว่าอะไรตรงนี้หมายความ<อ>ว่าอะไ ร, ห ม, มะไรหมายความว่าทำไมพระเจ้าต้องเว้นแล้วพูดก็คือว่าให้คุณพักได้นะในความทนะี่ของอาตมา ก, ก็คือในช่วงที่ตะวันปเปลี่ยนเนี่ยตะวันตองดินพระจันทร์ขึ้นเนี่ยคุณพักได้ครับนะคุณพักได้หน่อยหนึ่งนะอาจจะไปทากิจต่างๆอะไรต่างๆแต่ถ้าเราใช้สัมนวนแต่ถ้าเราใช้สัมนวนการแปลเนี่ยที่ว่าตั้งแต่ฉันข้าวเ็จ นะเดินจงกรมนั่งสมาธิไปจนสิ้นยามแรกของราตรีเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิตลอดไม่มีการพักเลยอออืในขณะที่พระุทธเาไม่ได้ไม่ได้พูดอย่างนั้นไงอ๋อครับครับอืมอือมออ่าพระุทธเจ้าพูดแค่ว่าตอนกลางวันให้เดินจงกรมนั่งสมาธิตอนกลางคืนคยามแรกให้เดินจงกรมนั่งสมาธิตอนกลางคืนยามกลางให้พักตอนยามราะรีตอนกลางคืนยามสุดท้ายให้เดินจงกรมนั่งสมาธิ เพราะฉะ้ช่วงที่กลางวันเปลี่ยนไปเป็นกลางคืนเนี่ยคุณน่าจะมีทํากิจกรรมอย่างอื่นได้อาจจะพักผ่อนอาบน้ํำเก็บข้าวเก็บของซักผ้าอะไรย่างนี้ได้อไม่ใช่รวดเดียวคงไปตลอดอย่างนี้นะนี่ก็เป็นข้อสังเกตอันหนึ่งครับผมนี่คือเรื่องของชาเรีนทธรรมในหมวดของความเพียรครับกับหรือทำมันเป็นเครื่องตื่นอยู่เสมอใช่ใช่ับทีนี้ก็คือโดยโดย้็เก่า ความของสัมมาวายมะก็คือทํากุศลให้เจริญขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็อักกุศลให้ลดลงหรือน้อยลงน้อยลงถูกต้องดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็อย่างที่พูดเมื่อสักครู่ว่าคุณต้องมีลิสต์นะรายการของนิสัยหรือความดีต่างๆอยู่สองรายการรายการแรกเนี่ยเป็นรายการของอักกุศลรายการที่รายการถัดมาเป็นรายการของกุศลอกุศลเนี่ยแยกเป็นสอง อันที่เรามีอยู่เราต้องการเลิกอันที่2นะก็คืออันที่เราเลือกได้แล้วป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นนะจะค่อยๆเพิ่มจากซ้ายไปขวารายการที่เป็นกุศลก็เหมือนกันต้องค่อยๆเพิ่มจากซ้ายไปขวารายการอะไรนะที่เราคิดว่าเราต้องทําให้ดีขึ้นให้ดีขึ้นได้ก็ list ไว้ปด้านซ้ายนะรายการอะไรที่เราทําได้ดีอยู่แล้วก็มาย้ายมาข้างขวาทําทให้ดีต่อไป อันนี้จะเป็นกำลังใจให้หลายคนได้เลยอัร<อ>มาก็เคยลองประพฤติ ด, ดูว่าอย่างในปีที่ผ่านๆมาเราเป็นยังไงเรามาลองเขาเรียกว่าประเมินผลตัวเองดูซิความเพียรเราเปรียบเทียบปีที่แล้วเป็นยังไงความขยันเราเปรียบเทียบปีที่แล้วเป็นยังไงความสามารถในการจดจำกระสุน์เปรียบเทียบกับปีที่แล้วเป็นยังไงอย่างนี้นะถ้าเรามีการวัดตัวเองอยู่ตลอดเวลามีการไขครัวนตรงนี้เวลาผ่านไปผ่านไปเราทําอะไรอยู่เนี่ย คุณจะเป็นคนดีขึ้นมาได้อย่างอย่างมากๆเลยแล้วกออ็อันนี้เป็นข้อที่พระพุทธเจ้าเนี่ยให้ภิกษุเนี่ยทำอยู่เสมอก็คื อ, อว่าให้พิจารณาว่าบัดนี้เวลาล่วงไปล่วงไปเราทําอะไรอยู่ตอนนี้อยู่ใช่ครับ อ, อ, อันนี้เป็นพระสุขใช่ไหมครับที่จะจะได้พบเห็นบ่อยนะครับท่านบอกว่าวันเวลาผ่านไปบัดนี้ท่านกําลังทําอะไรอยูอ่เป็นสิ่งที่ภิกษุควรพิจารณาอยู่เนื่องๆสิประการ เป็นสิ่งที่พิกษุควรพิจารณา 1.10 ประการหนึ่งในอย่างนั้นก็วันเวลาล่วงไปล่วงไปแบบนี้ทำอะไรอยู่อันนี้อย่างที่หนึ่ง อ, อ, อีกประการหนึ่งก็เป็นเรื่องของเรื่องของศีลนะสมาธิปัญญาเนี่ยถ้ามีท่านผู้รู้ผู้ไหนเนี่ยที่เราที่เราเขารู้แล้วเนี่ยเขายังจะมาติเตียนเราเรื่องของศีลที่เรายังไม่เรียบร้อยเนี่ยมีไหมนะพระเจ้าจึงเน้นว่าเออให้เธอเนี่ยนะดูซิว่าคนที่เขาเป็นคน เก่งคนดีเป็นผู้รู้เนี่ยเขาจะมาติดตีเราด้วยเรื่องของศีลได้หรือเปล่าเราต้องพิจรารณาอ่านี้ก็แสดงว่ามีศีลอะไรไหมข้อไหนที่เรายังทำไม่เรียบร้อยอยังเขาเรียกว่าขัดๆโว่อยู่นะเราต้องทราบตรงนี้ก็เป็นเรื่องของสัมมาวายมะนะครับสัมมาวายมะนี่ยังยังรวมถึงรายละเอียดอื่นๆนะอย่างเช่นว่าให้พิจารณาถึง ภัยเวนในอนาคตที่จะต้องเกิดขึ้นนะจึงปรารลความเพียรอย่างนีโ้โอ้ตรงนี้น่าสนใจครับท่านเพราะว่าตอนนี้ภยัยภัยทั้งธรรมชาติและก็ที่มนุษย์ก่อขึ้นในโลกมากเหลือเกิน อ, อันนี้เราเราควรพิจารณาข้อทรรข้อนี้ได้ใช่ไหมครับใช่ใชก็คือผู้เจ้าพูดถึงภัยเวรนะว่าเช่นอุทกภยัยใช่ครับถ้าเห็นอุทกภัยเนี่ยให้พิจารณาเลยว่า เนี่ยเป็นภัยเวร น, นาคตที่จะเกิดขึ้นแต่บัดนี้ยังไม่เกิดขึ้นนะแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยตรงไหนที่น้ํามันไม่ท่วมเนี่ยนะคนก็จะแห่กันไปตรงไหนที่อาหารหาง่ายคนก็จะแห่กันไปพอแห่กันไปเนี่ยเราก็ต้องไปพอเราไปเนี่ยในสถานที่แบบนั้นเนี่ยจะหามุมอันสงบมานั่งสมาธิหายากยากยากครับก็ในบัดนี้เมื่อตอนนี้เหตุการณ์นั้นยังไม่เกิดขึ้นงั้นเราจะทําอะไรก็รีบทําความเพียรดีกว่า นะเพื่อให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อทําให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งออันนี้ภายในอนาคตอันที่หนึ่งยังมีอีกหลายอย่างเช่นว่ า, าสัตว์ร้ายมาทําร้ายเร า, นะมาแมลงสัตว์ต<ป>กัดต่อยอมีคนคมาทํำร้ายหรืออย่างเราเคยดูหนังเรื่องอะไรที่เขาดังกันมาก2012อย่างนี้นะใช่ครับผมโอยแทนที่เราจะมากลัวว่าหมันจะเกิดไหมในปี2012 2013หรือมันจะเกิดปีนี้ปีหน้า คุณรีบเลยคร <iz> ับถ้ามันเกิดรจริงนะ <iz> เราก็สบายเพราะเราทําความเพียรอ่ะเอาไวละเอาความเพียร <umes> แต่ถ้ามันไม่เกิดจริงนะแบบ น, นี้เราก็สบายเพราะคนทําความเพียรเนี่ยย่อมมีความสุขสุขในปัจจุบันถูกต้ออต่อ <personnes S 2> ให้มันเป็นจริง <drafted. S 1> เราก็สุขต่อให้มันเป็นเรื่องมั่วๆขึ้นมาเราก็สุขไม่มีเสียเลยเรื่องของการทําความเพียรเนี่ยมีแต่ดีกับดีอืครับใช่ครับใช่แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องการทำความเพียรเนี่ย กับความขี้เกียจเนี่ยมันเป็นของคู่กันพระพุทธเจ้าเคยบอกที่ตั้งของการทําความเพียรกับที่ตั้งของความเกียจคร้าน8อย่างนะทั้ง8อย่างเนี่ยเหมือนกันเลยคุณหนนท์ธงพรทเจ้าพูดถึงเรื่องของที่ตั้งของการทําความเพียรกับเรื่องของที่ตั้งของความเกียจคร้านนะอย่างนี้ว่าเหตุ8อย่างที่ทําให้คนมีความเพียรกับเหตุ8ดอย่างที่ทําให้คนขี้เกียจเนี่ย เหมือนกันเลยนะคุณต่อพง์อ๋อเป็นยังไงครับท่านอ่าอย่างแรกคือเรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องของปัจจัย4มาทั้งหมดนะเรื่องของปัจจัย4ี่คือเรื่องอาหารเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องการเดินทางเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอันดับแรกเนี่ยคือเรื่องของการกิจการงานนะอันดับที่สองนี่คือเรื่องของการเดินทางอันดับที่3านี่คือเรื่องของอาหารอันดับที่4เนี่ยคือเรื่องของการเจ็บป่วยนะก็คือเกี่ยวข้องกับปัจจัย4นั่นเอง นะโดย <c oughs> โดยสี่นยยะเนี่ยแบ่งแยกอย่างละสองก็จะเป็นแปดทั้งหมดแปดอย่างเนี่ยยังแบ่งซีขี้เกียจกับซีขยัน <c oughs> อืมครับอ้าวคนขี้เกียจก่อนคนขี้เกียจเนี่ยสี่อย่างใช่ไหมคนขี้เกียจสี่อย่าง <c oughs> อย่างแรกนะพอมีงานที่ต้องทําอยู่หรืองานที่ต้องทําทําเสร็จแล้วมีทางที่จะ <c oughs> ต, ต้องเดินต้องเดินทางไกลหรือเดินทางไกลมาเสร็จแล้วสมมุติต้องเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ ะก่อนเดินทางระหว่างเดินทางก็หนึ่งอย่างเดินทางเสร็จแล้วก็อีกหนึ่งอย่างสมมุติมีกิจการงานที่ต้องทําเช่นต้องไปทําคาศาสตร์ลานวัดต้องไปเช็ดกวาดถุเสนาชนะก่อนทําก็อย่างหนึ่งหลังทําก็อย่างหนึ่งเป็น4อย่างแล้วนะบิณธบาตไปหาของกินไปบิณธบาตได้มาแล้วระหว่างไปบินธบาตก็อย่างหนึ่งฉันอิ่มแล้วก็อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งใช่เป็นหกอย่างละแล้วการป่วยระหว่างป่วยอยู่ก็อย่างหนึ่ง ป่วยเสร็จแล้วหายแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเป็นยังไงคนขี้เกียจเนี่ยจะใช้สาัยเหตุแดอย่างเนี่ยในการขี้เกียจได้ตลอดออใช่ครับอ่าเช่นพอโอ้ยต้องทำงานตรงนี้ต้องเหนีอเยวไปตีตาตีอ่อไปจัดความทาความสะอาดเสนาสนะโอ้ยทำพวกเนี้ยไม่สามารถทำความเพียรได้หรอกนอนก่อนเถอะตอนนี้ยังทาไม่ได้ไม่ทำนะอะอ๋อหรือเพิ่งทางานมาเสร็จโอ้ยเน็ดเหนื่อย ไม่สามารถทําทความเพียรต่อได้หรอกนอนก่อนพักก่อน เ, ออเป็นอย่างนั้นคนขี้เกียจจะเป็นอย่างนี้นะ ค, คนขี้เกียจยังเป็นอย่างนี้อีกเออพอกินข้าวระหว่างไปหาบินธบาตเนี่ยบางทีได้อาหารดีบางทีได้อาหารไม่ดีได้อาหา ร, รดีเนี่ยก็จะพบว่าโอ้โหกินอิ่มนะกินอิ่มเกินไปจนท้าทำความเพียรไม่ได้นอนก่อนมั่งนอนอครับก่อนหรือว่า วันนี้ได้อาหารไม่ดีอาหารไม่ถูกใจอาหารไม่พอแล้วก็บอกโอ้ตัวยังหิวอยู่เลยอาหารไม่พอทาความเพียรไม่ได้นอนก่อนพักก่อนที่เกียดได้ตลอดเวลาหรือป่วยอยู่ระหว่ววางป่วยอยู่เนี่ยก็จะมีข้ออ้างบอกว่าโอ้ตอนนี้ป่วยอยู่ทําความเพียรไม่ได้หรินจงกรมนั่งสมาธิทําไม่ได้พักก่อนนอนก่อนอออพอปว่วยเสร็จแล้วหายแล้วใช่ไหมหายแล้วก็ยังมีความคิดว่าโอ้ยนี่เพิ่งหายจากป่วยไข้นะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะกําเริบเราต้องพักก่อนนะกัดส อีิเกีศษได้ตลอดเวลานี่หรือเปล่าไหมแต่ในขณะที่เอาการคนขยันเนี่ยคนขยันเขาก็อาศัยเหตุแปดอย่างนี้เหมือนกันในการที่จะทําความเพียรขยันได้ตลอดเวลาเหมือนกันเช่นคนที่ขยันเนี่ยนะพอกําลังป่วยอยู่เขาก็มีความคิดว่าปู่ตายแล้วอาการป่วยนี้อาจจะนุกงร่ามเป็นใหญ่เป็นโตต้องรีบทําความเพียรตอนนี้เดินจงกรมข้านสมาธินะ คนที่ป่วยหายแล้วเนี่ยดีตอนนี้กลับมาดีแล้วเนี่ยเขาก็จะมีความคิดว่าโอ๊ยแต่แล้วตอนที่เราป่วยอยู่เนี่ยทำความเพียรไม่ได้เลยตอนนี้นะต้องรีดทำความเพียรไม่กลัวหรอกมันจะกลับมา<น>เดี๋ยวกลับมาเราจะทำความเพียรไม่ได้ต้องรีดทำความเพียรตอนนี้นเดินจง ก, กรมนั่งสมาธิ<น>เป็นอย่างนั้ น, นคนที่มีกิจการงานนะเช่นต้องไปทำความสะอาดลานวัดต้องมีกิจในวัดต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีความคิดว่าระหว่างทํำนี่ถ้าเราไปทําเนี่ยอไปทํากิจนั้นแล้วเนี่ยจะไม่สามารถทําความเพียรได้เอารีดทําตอนนี้ก่อน นะรีทําความเพียรตอนนี้หรือถ้าทํามาเสร็จแล้วกนะ็จะมีความคิดว่าโอ้ตอนทําอยู่นะกิจการงานมากคุยปรึกษากันทําความเพียรไม่ได้เลยตอนนี้งานเสร็จแล้วเอารีทําก่อนนะก่อนที่ว่างานนั้นจะเกิดกลับมาอีกซึ่งคนทําความเพียรเนี่ยกับคนขี้เกียจเนี่ยอาศัยเหตุเดียวกันเหตุเดียวกันแต่แตว่าเลือกที่จะกระทําต่างกันถูกต้องเพราะฉ <P rent, S 2> ะนั้นผู้ฟังรายการเนี่ยควรจะต้อง มีทางเลือกที่ถูกต้องที่หมอนัฐพงศ์ใช้คำว่าทางเลือกเนี่ยถูกต้องจริงๆคุณเลือกเลยคุณจะเพียรหรือคุณจะไม่เพียรคุณจะทําหรือ<ช>คุณจะไม่ทําคุณจะอ่ะอนตามแรงกิเลสหรือว่าคุณจะฝืนค่ะแลนะ้วกิเลสมันก็อยู่ในหมอนอ่ะอยู่ในเสือในีหมอนก็จะดึงเราไปนั่นเองใช่ครับ ม, ม, มีที่มีคําพูดว่าภาวนาจนหมอนแตกนะครับใช่จะหมอนเสื่อหมอนแตกเลยอ่ะ ม<น>ันแตกครับโอ้โหบอกว่าก็คือนอนนอนสาแอคิเลใช่ไหมครับใช่แล้วก็ใช้มีข้ออ้างต่างๆเต็มไปหมดในการที่เราจะไม่ทําความเพียรอันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ทําอันนั้นก็ไม่เอานอนๆๆนอนๆอนอย่างเงี้ยก็ <c oughs> เป็นสิ่งที่ไม่ดีใช่ครับเพราะไอะ้นึกว่าเช่นฤดูหนาวโอ้โหนาวหนาวทนไม่ไหวภาวนาไม่ไหวนอนดีกว่าครับพอฤดูร้อนยังไงีก ร้อนออกออกไปแล้วแบบโอ้ร้อนแดดเผาอ่ะอยู่บ้านนอนดีกว่าเอไม่ทํำการเพียนมันเป็นอย่างนั้นก็หาัวพอหน้าฝนอ่างฝนตกเชฉลแ่ยออกไปก็เปียนอะไรเลยไนอนดีกว่าเป็นผู้เต็มไปด้วยข้ออ้างพุทธเจ้าใช้คําว่าเป็นผู้มีเล่ห์อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เป็นคนดีเป็นเป็นเพื่อนชั่วเป็นมิตรชั่วคนที่มีแต่ข้ออ้างอย่างนี้นะการงานก็จะไม่เสร็จเรียบร้อยซึ่งตรงนี้จะเป็นรายละเอียดที่จะพูดได้ในเรื่องของ เพื่อนในคราวต่ อ, ตอไปอ๋อครั บ, เ, ออบเรื่องกัลายาณมิตรนะครับที่เรายกเยาไว้ตั้งแต่เอพิโซดครั้งที่แล้วใช่ครั บ, รบแล้วเรื่องของความเพียรเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้ว่าเป็นกองกําลังที่สําคัญเลยนนในเมืองในเมืองเมืองหนึ่งที่ต้องมีการป้องกันมีการสร้างเป็นเมืองขึ้นมาได้สมบูรณ์ได้เนี่ยคุณจะต้องมีกองกําลังกองพลในเมืองประกบอบด<อ>้วยกองพลช้างกองพลมา้าพลรถพ ล, ลเดินเท้า พลยุทธการไฟพลราชบรรุดกองเสนาธิการกองทาตกองตีกองดนตรีอะไรต่างๆต้องมีกองพลอยู่เต็มไปหมดเหมือนทหารบกฐานเรืออ่ะหวนัทมงเนึกออกไมทหารบกเนี่ยเขาก็ต้องมีอากาศบกเรืออากาศในบกนี่ก็ยังต้องแบ่งเป็นพลธิการทหารนาทหารราดทหารปืนให่อะไรต่างๆนี่นะครับซึ่งข้อมูลตรงเนี้ย หมายความอะไรหมายความว่าคนที่มีกองพลมากเนี่ยจะปลอดภัยได้เหมือนการ oh. คนที่มีความเพียรเนี่ยจะปลอดภัยได้ oh. พระเจ้าเปรียบกับใ ห, ให้ความเพียรเนี่ยเป็นกองกําลังของเรา oh. ใช้ความเพียรเนี่ยเป็นพละกายนะ oh. เป็นกําลังของกาย oh. สมมตคุณบอกว่าโอ้ยพิจารณาไม่ไหวแล้วนั่งสมาธิก็ปวดลังปวดเอวงั้นต้องหาพวกนะฮะพวกโดยการเอาความเพียรนี่แหละเป็นพวก หาพวกให้มากเข้าให้มากเข้าอย่างนี้หาคนมาช่วยว่างั้นเถอะครับอเท่านครับการสั่งสมกําลังพลเมื่อที่ท่านกล่าวเมื่อสักครู่คล้ายๆกับที่ตถาคตกล่าวไว้ว่าให้สั่งสมสุตตะไว้เป็นอาวุธในการต่อสู้กับกิเลสอย่างนี้ในย่าเหมือนกันไหมครับอาวุธเนี่ยคือสุตตะคือธรรมะนะในขณะที่กําลังพลเนี่ยคือความเพียร คือในเมืองเมืองหนึ่งเนี่ยคุณต้องมีอาวุธแล้วหนึ่งอย่างนะนอกจากมีอาวุธแล้วมากด้วยนะอาวุธทั้งใกล้ตัวไกลตัวปืนสแสวงเครื่องมีดดาบมีหมดนะนอกจากมีอาวุธแล้วต้องมีกําลังพลไงกําลังพลอาวุธก็คือธรรมะสุดตักําลังพลน่ะนะก็คือความเพียรนั่นเองเพียรใช่ไหมครับเพราะมีความเพียรแล้วแต่มีอาวุธนะคือเครื่องไม้เครื่องมือแล้วเนี่ยก็คิดคว่า จะสามารถป้องกันเมืองได้แล้วก็ในตอนนี้เรื่องของสัมมาวายมะ ก, ก็คิดว่ามีรายละเอียดีรยะที่สําคัญๆเนี่ยที่ได้บอกไปแล้วและรายละเอียดอื่นก็ยั ง, ยงมีอีกมากแต่ว่าเรื่องสําคัญๆเราได้พูดไปแล้วอะไรที่ต้องการไฮไลไท์ก็ได้พูดไปทีนี้มีคําถามในแง่ของสัมมาวายมะก็ส่งมาได้ใช่ไหมครับ เพ่จะ<ช>ได้แจกแจงในโอกาสต่อไปใช่เรื่องของสมาวิมาร์เนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมี ม, มาร์คอยู่หลายอย่างด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีแง่มุมต่างๆอันไหนที่คิดว่าสามารถจะมาบอกให้ท่านผู้ฟังท่านอื่นได้รับทรา บ, าบเนี่ยก็ให้แชร์ให้แบ่งปันกันมาแล้วก็ผู้ฟังทางรายการภาพออนไลน์เนี่ยก็ให้คิดว่าให้ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยให้เป็นประโยชน์ในการที่จะส่งคาถาม ส่งสื่อต่างๆทํางานวิจัยก็สื่อสารกันมาได้นะอัตมาแล้วก็หมอรัตพง์ก็รอคอยฟังอยู่ครับครับก็เราจะทําหน้าที่ของเราในในส่วนที่จะเผยแพร่ต่อไปนะครับครั บ, รบเพรื่องตอนนี้เราก็ได้คุยกันถึงเรื่องของสมาวายมะในรายละเอียดแง่มุมที่สําคัญสําคัญแล้วในตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรเอ่ยหมอรัตพง์สัมาสมาสติครับท่าน อ๋อสัมมาสตินะในตอนต่อไปนี่ก็คือเพียวธรรมะเปิดทําที่ถูกปิดภาคออนไลน์แต่อีพิโซดที่6ตอนที่6ในตอนต่อไปจะเป็นตอนที่7นะเป็นเรื่องของสมาสติสมมสติในตอนต่อไปซึ่งในแต่ละตอนท่านจะอัปเดตในช่วงวันพฤหัสใช่ไหมครับในวันพฤหัสตอนเช้าๆก็มาดาวน์โหลดข้อมูลไปฟังได้เพียวธรรมะภาคออนไลน์ และอย่าลืมมีคำถามข้อสงสัยก็ส่งมาได้นะครับที่ w w w ร์เน็ตต์เปียวธรรมะคอมนะครับจ่าเฉลิมพอดทังนั้นก็วันนี้ก็เท่านี้นะครับจ<อ>ับน้ำตาลครับ